คุณไปยังคุณบุญจะทำยังไงให้ได้บุญมากอกฟังทบุญแล้วให้บุญมากหรือว่าลงบุญน้อยๆแต่ให้บุญมากๆอยฟังไหมอยากฟังงั้นอยากฟังเสีที่วงคุน้อยเพื่อนมากๆขอบคุณจาก ก ต, ตัวอย่างพูดกับพระเลยน ะ, ะลูกคอนที่ศีลทั้งหลายในสมัยหนึ่งอาวมธที่ตาหารใดนนะั้นในสมัยหนึ่งเราตถาคตตอนนั้นเป็นพรโพธิสัตยังไม่ได้ัสรู้เป็นพระพุเทเจ้าเราจะหาคต เกิดเป็นโพธิสัตว์ชื่อว่าเวลามะเป็นพรามเวลามะพรามนี่เกดิดในตระกูพลพรามชอบทำบุญแต่ไม่มีพุทธศาสนานะตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยรเจ้าไม่มีพระราหานพานาคามสกทาการิโสญาบัตผู้ปรบพฤทิธรรมอะไรก็ ม, มมีแต่ทำบุญพ้ณพรามกันไปเป็นยุคสมัย ที่ที่ไม่มีตาเยจาีจ้าเวลามาเนี่ยทำบุญเข้าบรรยายไหมโอ้โหทำบุญมากจริไงๆไขาดทองคำเต็มไปด้วยลูปิยะเต็มด้วยเงินแปดหมืน 8, 14, ่นสี่พันบาทโอ้ก็เป็นเงินเยอะมากเป็นไปด้พอแปดหมืนสี 4, ่พันบาทผานด้วย วัวด้วยวายอย่างละแปดหมื 8, 40, 000, 8, 40, ่นสี่พันแปดหม4่นสี่พันคือไม่รู้แหละตัวเลขที่มัน 8, 40, แปดหมื่นสี่ันน่ะมันจะเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะมันลงตัวยังไงเยอะๆเนี่จะเป็นแปดหมื่นสีพันอย่างพระธรรมนี่ครับว่าแปด0มื่นสี่พันพระธรรมมขันอย่าเอทานช้างทานมา้าอย่างละแปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นสี่พันโอยเยอะแยะเลยนะปรายายตลอดชีวิต แต่ว่าพระคุณย้าบอกว่าเวลานมพลามที่เราจะถากทำบุญในครั้งนั้นถ้าเทียบกับการทรานนําบุญกับพระโสดาบันคนครั้งเดียวก็ไม่ยากอย่างที่นึ่งบุญทั่วไปกับทําบุญกับพระอริยเจ้าแค่ทําบุญกับพระโสดาบันคนเพียงครั้งเดียวก็มากกว่าเวลานมรลาม ที่ทำบุญกับคนทั่วไปมากมายมหาศาลเพราะว่าไม่มีผู้ที่สามารถชำระทักษิณาทานให้บริสุทธิ์ได้คือคนที่จะเป็นพระสวัสดาบาลอยู่เราต้องขับเราจิตใจมาสู้กับสิเล่์ของตัวเองเอาชนะจิตใจตัวเองเอาชนะสิ่เล่์ของตัวเองสิ่ง์ตัณหาอุปาทานมาไม่เอา พยายมผลพยายามขัดเกลาจนมันขาดไปได้ระดับหนึ่งในปัจจุบันละความหนุ่นความหนุนความยึดความติดความเข้าความหนุนแก่ตัวกว่าจะเป็นพระเยซูเจ้ า, าได้เพราะนั้นใครทําบุญด้วยบุญก็เลยมากเพราะฉะนั้นทําบุญเหมือนกันแต่จะต่างกันถ้าหากว่าทำทำบุญกับ พระอนจ้าบุญก็มากกว่ามากกว่ามากประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปให้ฟังสรุปให้ราบฟังเลยนะว่าในสมัยนั้นนะเร า, า, เ, า, าเป็นพรามชเวีรามะเป็นโพธิสัตว์กระทำบุญมากมายตลอดชีวิตแต่ว่าเทียบ ก, กันแล้วสู้ทำบุญกับพระโสดาบันบุคคลครั้งเดียวก็ไม่ได้ แล้วเีอาก็พูดต่อไปอีกว่าทาบุญกับพระโสดาบันมุคคลร้อยครั้งเทียบเทียบเทียบบุญเทียบบุญสู้ทําบุญกับพระสกทาคามีครั้งเดียวไม่ได้สกทาคามีหม้ยว่าขัดเกามากขึ้นไปเป็นพระอริยกบุคคลระดับที่สองต้องขัดเกาวีตนาอุบาธาลงไปจตจิีใจมากมาย ว่าจะสําเร็จเป็นวัฏฏะคาามได้ทําบุญกับวัฏฏะคาามีร้อยครั้งสู้ทําบุญกับพระอนาคามีหนึ่งครั้งเลยพระอนาคามีขัดเกลาต่อไปอีกจนกิเลสตัณหาพวกกามราคะพวกความโกรธความอายุติไปจากกินเลยทำบุญกับพระอนาคามีบุคคลร้อยครั้งสู้ทำบุญกับพะาาระหลนต่อบุคน ครั้งเดียวไม่้พราว่ากวา่าจะขัดเกาีจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเนี่โอ้ต้องสร้างแรงมืมายาวนาะนแล้วก็ต้องใช้วความเพีย็นปัญญาหมดชนสูงทําบุญกับพระอรหันต์ร้อยครั้งสู้ทําบุญกับพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งไม่ได้คราวนี้เระปัจเจกพุทธเจ้ า, านี่ตัดสินเอง บรรลุเองเลยศาสนาุเอ ง, งเลยไม่มีใครสอนแต่ว่าไม่มีญาณสต่บรรลุานพอที่จะสร้างระบบเผยแทรพระพุทธศาสนาได้ทําบุญกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าร้อยครั้งสู้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าที่เป็นประมุขของสงฆ์มีอย่างเาช่นพระเจ้าของเราหนครั้งหน่งค้งแต่ทําบุญกับพพุทธเจ้าร้อยครั้งสู้ าวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นนามุกพองเจ้าเป็นนามุกแล้วก็มีสงฆ์เขาเดี่ยวไมา่างอันนี้เป็นทานเพราะนัระบบ ข, ของทานเนี่ยไ ล, ล่มาตามลำดับนะทาะนเพี่ยปะทานคน ท, นทั่วไปบุญก็จะอยู่แต่ถ้าเทียบ ก, กับบุญที่เอามาถวายกับพระอริยบุคคลตั้งแต่สวสดวิบาลถึงคนชิ้นตายเทียบ ก, กัน มันสู้ทําบุญกับวัดซอดาวันบุญทั้งเยี่ยงไมได้ทำบุญตลอดชีวิตเลยทำบุญกับวัดซอดาวันบุญคนร้อยครั้งสู้ทําบุญกับพระสกัาภาคมีครั้งไม่ได้ทาบุญกับพระสกัดภาคมีร้อยครั้งสู้ทําบุญกับพระอนาคมีครั้งไม่ได้ทําบุญกับพระอนาคามีร้อยครั้งสู้ทําบุญกับพระอรหันต์มีครั้งไม่ได้ทําบุญกับพระอรหันต์ร้อยครั้งสู้ทําบุญกับพระปัจเจกับพระเจ้ามีครั้งไม่ได้ ทำบุญกับพระปรฏิเจบพระเจ้าร้อครั้งสู่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสมุขของสงฆ์ครั้งไม่ได้ทำบุญกับพุทธเจ้าสู่ถวายสังฆทานหนึ่งครั้งไม่นด้นี่ทานมามาสิ้สตรงเพราะฉะนั้นทานที่สูงที่สุดก็คือถวายสังฆทานแต่ต้องเป็นสังฆทานจริงๆนะสังฆทานอย่างนี้มันมุ่งมั่วจะเอาไปถวายหิ้วู่ไปที่ว่าสังฆทานคือคู่เลื้ยงหลืองแล้วก็เอาไปถวายองค์นั้น ไปถ้อยสังฆทานแต่ไปให้องค์นั้นอันนี้ไม่ใช่ให้สงฆ์จอดจงไปที่องค์นั้นแล้วมันก็เลยไม่สําเร็จเป็นสังฆทานสังฆทานตรงสังฆทานจริงๆสงฆ์มาจากไหนก็ตามเราเจอปั๊บเราให้เลยไม่ได้จอดจงว่าต้องไปให้องค์นั้นตรงนี้มีจริงเป็นสังฆทานหรือเปลอย่างนั้นเราเอาไปที่วัดองค์ไหนก็ได้เจอองค์ไหนอ้าวส่งขอสังฆทานแต่อย่างนี้ก็ยัง ยังยังบอไม่ไช่เจาะจงแต่เอาไปถวายก็เจาะจงแล้วมีบุคคลเพราะนั้นถวายกับบุคคลไม่ว่าจะเป็นพุทยาประดามสังฆทานนิหมายว่ามีเจตนานจะถวายศพถวายแก่ศพสงฆ์ทั่วไปเลยเพราะนั้นองค์ไหนรับก็ได้รับไปแล้วท่านรู้ว่าเป็นสังฆทานถ้ามีหลายหลายองค์ ในวัดก็จะต้องมีการอภิษฐรมทำิธีกรรมถูกต้องเลยนะสังฆทานหรือว่าเป็นของกลางละต้องส่วนรวมน่ะสังฆธานหมายว่าเจตนาที่เราจะให้่านของเราแก่สงฆ์เพราะสงที่ไหนกันแต่ใจเราต้องมุ่งสู่สงฆ์ตี๋ ในนี้พระกว็งนั้นรู้เรื่องรู้ราวพรายิ่งดีเพราะทาพิธีกรรมถุกต้องแต่ว่าพระเจ้าบอกไอีกว่าทางนี้เป็นท่าการให้สิ่งของที่นอกกายที่นอกกา ย, ย, นกกายในศาสนาของพระพุทธเจ้าเป้าหมายก็คือว่าต้องมาขัดเกลาจิตใจต้องเข้ามาสู่การปฏิบัติ มีการสรํารดูจิตใจแต่ในทานนี้ผู้จยาก็ระบุไว้เยอว่าทานเนี่ยเหตุที่คนเนี่ยได้บุญได้สะวรมีทรัพย์มีอะไรขึ้นมาจิตไม่น้อมไปในทางที่จะใช้ทรัพย์เหล่านั้นอย่างบางคนมีเงินมีอะไรมากมายแต่อยาก็บไว้ไม่อยากใช้ใช้จ่ายก็ไม่เป็นนะีบริวารก็ไม่เคารพไม่เลื่อมใสไม่เชื่อฟัง ประเภทนี้คือให้ทานโดยไม่เคารพมีมีมีเห็นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีพูดเอาไว้หมดในนิพพานเนี่ยเพราะนั้นที่เราเป็นอยู่เนี่ยนี่แหละผลกรรมที่เราทำทั้งหมดดูได้เลยใครเป็นยังไงยังไงยังไงเนี่ยกรรมที่ทํามาเ อ, าเอาแต่คนไหนที่ไม่ค่อยใครเชื่อฟังไม่ค่อยมีใครเคารพเรื่องใจนั่นแหละทําอะไรแล้วไม่ได้ทำด้วยควาเคารพ แล้วก็พวกที่มีทรัพย์มีอะไรก็คิดไม่น้อมไปที่อยากใช้รัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาให้ทานอันดับหนึ่งเลยผู้ให้ผู้ให้ต้องให้ด้วยความศรัทธาต้องมีศรัทธาเดี๋ยวพวกเรามาทุกคนที่มีศรัทธานีน่มีความศรัทธาดนสัยแล้วแล้วก็ให้ด้วยมือตนเองแล้วก็ให้ด้วยความเคารพเลย ให้กัค ว, กกกความเคารพนอบน้อมให้กัความเต็มอกเต็มใจอย่แล้วก็รู้จักเหตุเหตผลรู้ว่าการทํามี ท, ทาําการของเรามีผลมีประโยชน์อย่างไรอย่างเช่นเรามาที่นี่เราเอาข้าวลอาหารมาถวายแต่ฐานที่นี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมพระสองค์เลนก็ได้อาหารเป็นกําลังเอามาประพฤติปฏิบัติธรรมแม่ชีก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเนี่ย ก็ได้อาหารก็เป็นเหมือนเรามาให้กำลังก็เหมือนกั่เรามีส่วนในการช่วยพระศาสนาด้วยเพราะว่าถ้ามีคนประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของอุเที่ยศาสนาก็ยังคงอยู่ได้เพราะนั้นเรามาช่วยกันเหมือนกับมาช่วยสนับสนุนหรือผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาอยู่วัดอยู่วามาช่วยกันทำการทางานในวัดในวาพวกนี้ก็มาช่วยศาสนาเหมือนกัน เราก็เหมือนกับว่ามีส่วนร่วมในการช่วยศาสนาถ้าใครเข้าใจอย่างนี้มีทําด้วยความเคารพแล้วก็ทําด้วยความศรัทธา่อมใสทําทด้วยตนเองเลยถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ฝากฝังมาว่าฝากฝังม า, า, งมาด้วยความเคารพเพราะมันปีกุระีกจริงอะไรอย่างนั้นให้เด้วยมือตนเองบางคนเนี่ยถึงจะมีให้ด้วยตนเองได้ก็ไม่อยอมให้ใช้คนอื่นไปนี่แล้ไม่ได้ให้ด้วยมือตนเอง วันนันถ้าให้ด้วยมือตนเองได้ให้ด่วยมือตนเองอันนี้เรียกว่าสมบูรณ์ให้เป็นความศรัทธาเรสายให้เดือดมีตนเองให้เป็นความเคารพแล้วก็ทําเรื่องความเข้าใจเห็นประโยชน์ของฐานนั้นแล้วจากนั้นก็เปรียบเทียบว่าถ้าคนทั่วทวไปบุคชนธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับทําบุญกับพระโสดาวันหนึ่งนะเทียบกันไม่ได้เลยทำตลอดชีวิตก็ตามบุญมันก็น้อย เพราะว่าไม่ได้ขัดเตาผิดใหญ่ไม่ได้เป็นเนื้อนาบเหมือนกันเราจะทำนาอย่างเงี้ข้าวพันธุ์ดินทุกอย่างเราก็ใช้มีนาที้ถ้าดินมันไม่ดีอนี่ยข้าวมันกาไม่ได้ผลผลก็น้อยยุบปลูกพืชปลูกอะไรก็ตามถ้าดินมันไม่ดีเวลาเราจะปลูกอะไรเราก็ต้องดูดินวดินมันรุบบุญมั้ย อดีมันสมบูรณ์เราปลูกก็หวังได้ว่ามันจะสมบูรณ์ขึ้นนีมันก็ต้องได้ดูแบบนี้ด้วยอันนี้แหละเหตุว่าทําไมทําบุญทำทานแล้วเนี่ยผลบุญมันมากมันน้อยแตกกันแล้วถ้าหากว่าผลบุญมันมากเราจะค่อยๆเจริญขึ้นเลยนะให้สังเกตด้วยเราทําบุญทําทานแล้วมันจะเจริญขึ้นไหมถ้ามันไม่เจริญขึ้นแสดวการทําบุญของเราไม่ได้ผลไม่ได้ส่งผลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมิตรพวกเรา มันจะเจริมันจะรุเรืองมันจะสบายแบบนี้เกี่กับบุญทั้งหมดเลยนี่ผู้เจ้าพูดเราไว้อย่างนี้นะแต่คนทั่วไปอ่ะไม่ได้ละศึกษาความสองของพระเจ้าคิดว่าต้องทํางานเยอะๆมากๆหาเงินมากๆผิดทูกข์ก็ช่างหัวมันเกิดความได้มากคิดแต่อย่างเนี้ยก็เลยไปหาแต่เงินผิดก็เอาผิดน้ำเป็นบาวบาปอาคุศนมันก็ทําให้เราไม่เจริญรุ่งเรืองเนียมันจะเสื่อมลงไปเสื่อมลงไป ได้เงินมาเดี๋ยวก็หมดได้เงินมาเดี๋ยวก็หมดแต่้ความให้ถูกต้องมันไม่หมดทีเดียวมันเก็บเอาไว้ส่งผลคือตกนรกเพราะเราทําการรมปับม๊บมันกรรมมันเกิดขึ้นทันทีเลยอันนี้คนไม่รู้เนี่ยแถวๆนี้ยไม่รู้แล้วคนนี้จะทำยังไงนะเนี่ยเนีย่ยมางก็เลยพูดให้ฟังชัดๆเลยนะเออนี่พระเจ้ามีวิญญามในตัดสินูเลยรู้เล ย, เ, ลยเหมือนกับว่าเห็นคนกำลังเดินลรหกลรโน้นักเซไปอ่า ดูความร้อนยุกกรหายโซซัสโซเซไปแต่ข้างหน้ามีหลุมหลุมนั้นมันร้อนหลุมฐานเทอร้อนมากคเจ้บอกแต่ไม่มีเปลวอะไรให้เห็นสังเกตไม่เห็น่ะแต่ถ้าตกลงไปเมื่อไหร่เนี่ยความร้อนแผดเผาผมก็เลยมองอยู่มันก่อมีคนนี้กําลังเดินไปทางนั้นแล้วทางนั้นแล้ตกหลุมนั้นแน่แน่แล้วก็ตกจริงจรินะคุณเจ้าบอกอย่างนี้เลยนะตกจริงๆเราชะาพุทไม่ได้คิดเอาไม่มีใครบอกเราเห็นด้วย กิบเขาเราด้วยจักรสุพรรณเป็นที่ล่วงเกินกว่าจากักรสุของมนุษย์ทั่วไป น, นี่พระเจ้ารูกดีงามเราเราเราเราสถาเราเชื่อพระบุตรเจ้าเป็นขาดเพราะฉะนั้นเราเหินคนทําชั่วทําผิดทําไม่ถูกต้องเรากลวัวมากแต่พูดเราไปมันก็ไปขัดแย้ง yeah. ความอยากความต้องการของคนเหล่านั้นเขาก็ไม่เชื่อฟังไม่เอาพอไม่เอาเราก็หยุดพูดเนี่ย yeah. เพราะอะไรเดียวก็จะไปขัดนี yeah. ้ย ก็ต้องวางใจเป็นหตุผลและแต่กรรมของแต่ละคนเพราะฉะคนที่มาเนี่ยฟังให้ชัดๆเลยให้กลัวกลัวจริงๆเลยว่าพทธเจ้ามีท่านรู้ท่านเห็นมันอดอยากแต่เราทำถูกต้องตายไปเรามีขึ้นไปสวรรค์ยังดีกว่าตายแล้วตกนรกแล้วตกนรกเนี่ยบรรยายเอาไว้เลยนะเร็นจดหนั้นเนียเอามาอ่านอย่างน้อยรูก ใช้ตะปูซึ่งเป็นเหล็กแดงความร้อ น, นแรงๆเนี่ยตอกมือสองข้างตอกเท้าสองข้างแล้วก็ตอกหน้า อ, อกตึงเอาไว้มีเบาที่สุดนั้นเนี่ยอย่างเบาเลยลองลงมาแล้วก็เอามีดมาทาทาตามตัวเนี่ยในขั้นต่อไปขั้นต่อไปเอาหัวตั้งเท้าชีวาแล้วทาหนักเข้าไป ต่อไ ป, ไ, ไปก็รถล่าไถ่ไปกับมิกพื้นร้อนแดงชานทุกทรมานมากไล่ไปตามลํำดับลาดับนี่มันมีกินนะไม่ใช่มันไม่มี น, นะด้วยไม่อยากทระมานแต่ก็ได้จะพูดใครเชื่อก็ทำใครไม่เชื่อก็ไม่รไปแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะมาอานว่าให้ฟังอย่างนี้แต่ที่ทําบุญที่นี่ถ้าทําบุญแล้วก็ ผลบุญก็เกิดขึ้นผู้เยาวก็เปรียบเที่เหมือนกันเหมือนคนกําลังเดินไปแล้วก็เหมือนมีลำไม้คุ้มใบอ่อนใบแก่เอ็คนกระเินกามแดดกําลังล้อแล้วไปถูกกายโชซ่าตัวดีไปผู้เยาว์ก็เห็นว่าเขาเดินไปเขาต้องไปที่ลำไม้นั้นแล้วเขาก็ไปลำไม้นั้นจริงๆไปนั่งไปนอนไปหลบแดดอยู่ในนั้นหลบเย็น เราคเาเปียเปียบเหมนุษย์เนีพวกที่เกิดจากเดชช้งก็คุเ่าเปียกเียกไว้เหนว่าคนกำลังระหงวลหอนอย่างที่ว่านี้จะต้องไปตกหลุมเหมือนกันแต่หลุงเป็นหลุมหมุดหลุมพุ่นหมมุจเจ้ร่าัสาวะแต่ทุกทรมานเหมือนกันเพราะมันเหมือนมันอุดอนักนะททรมานแต่พกเรก็พูดเอาไว้เราเหมือนกับต้นไม้ที่มันมันไม่มีใบมันโผลต เขาไปนั่งนอนอยู่ในนั้นมันก็นร้อนอยู่แต่ว่ามันเบาฝายผู้ไอิตตานรกสัจจะฉานั้นกเดเนี่ยพวกผทั้งหลายน่ะเนี่ยมันเบาแล้วมันบางๆงพวกนกรรมมันเบาลงก็มาขอบุญก็เสี่ยวปหายาติที่น้องทาเสียงก็กแกบ้างสันต้นสันต้นไม้ใส่บ้างไปเรียกบ้างไปสกิดบ้างแต่เราก็ไปดูเรื่องเาไม่ออกนะ บางทีเขาก็ทุกข์ละทรมอดควรก็เขาต้องการดีอยากได้ดีเป็นทุกข์ทรมานบานี้เขามาเราหนเขาทุกข์ทรมานพวกนี้ทุกข์ทรมานทั้งหมดเราก็ไปกลัวเขาเสียแทนที่จะอุทิศบุญให้ทําบุญอุทิศบุญให้อย่างวันนี้ก็เป็นวันทําบุญเพื่อจะอุทิศบุญให้พวกนี้เหมือนกันก็เลยผู้เจื่งบุญให้ได้เข้าใจได้บุญมากๆให้ฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญส่วนหนึ่งด้วยอยากให้ทําบุญแล้วก็พิจารณาว่าเราทําบุญไปแล้วเนี่ยได้บุญจริงไหม แล้วก็นอกจากเราจะมีความศรัทธาเรื่องใสมีความเข้ามีความรู้ความเข้าใจทำที่ความเขาใจอะไรแล้วเนี่ยทานของเราก็บริสุทธิ์ด้วยทานพวกเรามีเราได้มาเนี่ยเอาไปรับไปขโมยมาไปฟนคนไปขี้มาเนี่ยมันก็ไม่บริสุทธิ์นันแต่ถ้าเราหามาเองซื้อมาเองมีตัวเราเองอย่างเงี้ยอย่างนี้ใครเอามาแล้วบริสุทธิ์หามาเป็นอย่างนี้มีกระดูดเป็นที่แล้วเราก็มาด้วยความศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาไม่ได้โดนมาในีพวกเราเนี่ย มี่ก็บุญเซนตี้แล้วนี่แล้วก็ได้ฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาบุญก็เพิ่มบูญขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนเราบริบูรสมบูรณ์ส่วนทานเราบริบผู้รับถ้าผู้รับเนี่ยมีพระญาบุคคลมีพ่อรหันมีโซนาคามีสศรษาคามีโซดาบันบุญเราประมาณไม่ได้แน่นอนมาหาศาลเลยทีนึงหรืออย่างน้อยผู้ปฏิบัติธรรมเพื่เป็นพระเดียเจ้าเพื่อเป็นโซดาบันบุคคลทานคาว น, นี้ ก็ต้องมาประมาณไม่ไดับบางทีก็กินไม่หมดเลยบางทีมาทําครั้งเดียวยกินไปได้ตลอดจนกว่าจะถึงพลที่พานได้เลยแต่ถ้าทําบุญทำทานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่น้อมเข้าไปสู่จิตอีกแบบมันก็ได้แค่ผลทานน่ผลทานเกิดมากระลำรวยลํำรวยเก็เ ส, สเียดสวยแล้วก็ตายไปตายไปเอาไปไม่ได้อี้เอาถึงทาไปสวรรค์ไปสวรรค์ก็ตายอี้เนี่ย แล้เจ้าวอมนุษย์กับเทวดาแตกนะตายแล้วส่วนใหญ่ไป็นนกในยุค ข, ของเราดิมนุษย์จะมีความสามารถได้อายุจะเสื่อมลงเสื่อมลงจนกระทั่งอายุสิบปีเมื่อไหร่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะฆ่ากันมนุษย์จะเป็นเหมือนสัตว์ฆ่ากันด้วยสัตว์ประแล้วพวกนี้ตายแล้วจะตกกระโหกเป็นส่วนใหญ่นี่ถนะ้าพูดยาวแล้ว้อย่างนี้เลยนะ ในรุ่นเขายุคของเราเนี่ยคนจะเริ่มปูดเมืองกันีแต่ตัวลแหวงกันนะมันเริ่มละแวงกันแล้วอย่างเนี้ยไม่นไว้ใจกันแล้วแต่ก่อนไม่เป็นนะดิสกมันก่อนก่อนนู้นไว้เนเชื่อใจกันเลยนะทุกคนมีเท่าเทกันเลยเนี่ยพระราชาก็เป็นความเหมืันชักสมบัติเท่าของงินทองเครื่องจักรอะไรทั้หมดเลยคู้คนมีหน้าตาคล้ายกันสวยงามเหมือนเหมืกันเพราะฉะนั้นไม่อยากได้เมียคนอนึ่งกยากได้สามีคนหนึ่งอ่ะ เพราะมันมันเท่าเท่ากันทีนี้ก็ผิดชินผิดาเสี่ยงลงเสี่ยงลงเสืองงพรราชาไม่ได้ทาก่อนจากนั้นก็คอยราชาก็ไม่แจกฟันซับไม่แจกฟันซับปุ๊บเจอการลักขโมยกันขึ้นมาลักขโมยกันขึ้นมาก็มีการต่อกรมีการหาสาตราอาวุธเมีเริ่มเสื่อมลงมาเรื่อยๆเลยอายุยืนๆกเสงลงเสื่ยงลงจากนั้นก่อตัดสินฐานชีวิตเนี่ย มันมันมันมันมากขึ้นจากนั้นคนก็เริ่มโกหกเนี่ยมันก็จะเนียนะสินสินสินธรรมเลื่อนลงมาอายุก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงมาถึงยุคเรานี่ยุคนี้ก็เสื่อมเสื่มมากแต่ว่ายังมีคนที่มีสินธรรมอยู่คนเข้าใจธรรมะมีสินมีธรรคนปฏิบัติธรรมยังพอมีอยู่เพรายุคนี้ยังไม่สิมากแต่ไปถึงยุคสิปีนี้สินธรรมไม่มีเด็ดขาด ไม่มีคําว่ากุศลอยู่ในใจนี่ถึงก็าไม่มีเห็นการมีแต่จะฆ่าเหมือนหมาจิ้งจอกมันเห็นหนื้อมันจเจ้าะแต่จะฆ่าก็แบบนั้นเลยนะแล้วอาหารนี่นะเดี๋ยวนี้อาหารเกลือก็มีรสชาติผลไม้มีรสชาติข้าวปลาอาหารมี ร, ชรสรรชาติแต่พออายสิปีปั๊บรสชาติเหล่านี้หายหมดเหมือนกินยากดูซิกินได้ยัยอีกยากเพราะมันไม่มีรสชาติแล้วรสชาติมานอะนี่แหล องดีๆมันค่อยเสื่อมไปเสื่อไปเสืเส่อไปนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากมาคนทุกข์ทรมานจากนี้เป็นต้นไปมันจะเริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆโลกเราจะวิกฤตลงไปเรื่อยๆแต่ใครยังอยานมั่นคดอยู่ก็ให้พิจ า, ารณาเอาก็แล้วแต่ว่าจะเป็นหนังไงขนาดนี้โลกเราก็อยา่างร้อยรุนรุ่แล้ว เพราะนั้นาหาว่าเราอยากไปเสวนที่ดีๆกว่านี้เราก็จาเป็นจะทำบุญื้นฐานกันปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าตอนนี้พูดเรื่องระบบของทานทานไล่ามาให้ดูตามลําดับแล้วผู้รับเพราะฉะนั้นผู้ให้ทานแม้กรผู้รับถ้ามันบริบูรณ์สมบูรณ์่มันก็จะทานสมบูรณ์แล้วก็ผููให้ฟังแล้วว่าทานมีระบบของทานเนี่ยมันมีมากน้อยยังไงแต่ทีนี้ ได้บุนมากนนกว่านี้อเจ้าบอกว่าใครมันและลึกถี่เสมอว่าจะมีพระพุทธเจ้าพรทํารมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่บุญอยู่ในลึกบุญเนี่ยเกิดมากกว่าทานทั้งหมดไม่ว่าจะทานพระพุทธเจ้กาก็ตามสังฆทานก็ตามแค่พยายามในลึกถีเรืเ่แหละคือมันเกิดขึ้นในจิตเลยนะไม่ใช่ว่ามาคิดเอาตอนแรกก็อาจจะน้องไปก่อน เราพยายามคิดอย่างว่าเระพาเรื่องใจเรืเจ้าประจําตัวเพราะก็ติตฟังไปจนกระั่งมันมเข้าอยู่ในจิตอ่ะหูจิตมันทําอะไ ร, รอยู่ก็มีพระเจ้าก็ทํามาทรงนจิตใจจิตใจจะน้อมไปเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อมงคลตึ่นข่าวไม่เชื่อวัตถุมงคลงานโน้นนี่นมาช่วยมันจะช่วยได้ยังไงเวลาไปไหนมาไหนแล้วก็หอมผู้ไปแล้วก็ดูแลรักษา ก็เห็นรักษาตัวเองเห็นไปนเองมีแต่เราจะดูแลรักษาคําสอนของพระองค์ทําไมไม่ศึกษานะแล้วมาปฏิบาตาัติตามให้จิตใจตัวเองมันจะ ร, ริ่ขึ้นนี่พระเจ้าสอนเนี่ยใครเขาลบสัพพายมุ่งใสในพระเจ้ามาทำมาส่งมันลึอกอยู่เรื่อยแล้วก็ศึกษาคําสอนเข้าใจแนละ้วปฏิบัติตามนี่แหละมุญมากที่สุดกว่าทานทั้งหมดคนไทยยังใดบุญมากเนี่ยพยายามทําตามที่พระเจ้าสอนนะครับ หมดมนุษย์แต่ตอนเราเลิกจะเป็นพระเจ้ากระทำลงไปที่พุทธภาวนาเพื่อให้ดาวทิ้งอะไรไปอย่างนี้บุญมากมาให้ทานดีแต่ทานก็ไม่ใช่รับเลยนะเพราทานแล้วใจสบายใจเบิกานแ้วก็ผู้ที่คอยรับบุญจากทานก็มีด้วยคือพวกใหญที่อยู่ตัคุ่นต่งๆพวกผีพวกเปรพวกอะไรหย่างนี้หะโหยทีนี้จะใครทาทาน เอาข้าวปลาอาหารมาสวดที่บุญไปถึงเร็วเพราะคงนี้น้องมาที่จะรับแต่ถ้าพวกศีลพวกภาวนาอะไรอย่างเงี้ยพวกเทวดาเขาจะรับได้เร็วกวา่าสวดมนต์บ้างตั้งสาศีลภาวนาเอาที่บุนไปพวกเทวดารับง่ายพวกผีปัญญาที่จะรับไม่ถึงมันมรับไม่เป็นเนี่ยแต่ถ้าทานมวยมันหิมันหิวมันต้องการอยู่เนี่ยก็มีเห็นเอาอาหารนาใ้หิวหวเพราะ อทิศบุญไปแต่ไม่ใช่เอาอาหารแหง้งกินกินไม่ได้ตออุทิศบุญไปอุทิศไปว่าตอนนอิ่มเลยน้ำำํำซัมลานสิจิตําหรับเผาเนี่ยแต่ถ้าพวกทมพวกพวกที่ต้องทําสมาธิฝึกเป็นสมาธิรับแทนเมตตาไปเนี่ยทมรับได้ดีนี่นมันก็มีเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้บุญมากๆกว่าทานทั้งหมดนี้กลับไปบ้านไปเรือนก็พยายามที่จะ ไหว้พระสวดมนต์ตจิตประจำนั่งภาวนาวที่บุญไปหรือว่าแผ่เมตตาที่บุญไปหรือ ว, ว่าตั้งใจเอาไว้เราจะมั่นคงในพระเจ้าประทับประสงค์อันไหนที่ไม่ถูกต้องเรียกสอนให้ไปเขาเรุเลื่อนใส่ก็ไม่ต้องไปเรื่องผีนี่เราเคยพูดถึงมากพราะีนี่เรารูเราา้เขาอยากได้บุญเขาอยากได้บุญเพราะนั้นต้องทําบุญแล้วที่บุญให้เขาแล้วจะดูสุขสบายไปทําอย่างอื่นอ่ะ มันไม่ได้วยอะไรไปกลับไปไหว้เขาเขาก็ยิ่งมือเนื้อือตัวนะโอเคทำให้เจ็บไม่ปวดไม่ไข้ทาไม่ไปกลับไปไหว้เขาก็ทําให้เจ็บไม่ปวดไม่ไข้เนี่ยอย่างนี้เลยนะเนี่ยมีอยู่ที่จะโ ก, กนยอปเอามีที่เวลาจะส่งที่ก็ไปหาพักพัก็แ น, นะนําว่าให้ซื้อที่กลัวกลัวเจ้าที่จะาทางโอ้โหจะไปกลัวทำหายที่เป็นที่ของเราเราบอกอันนี้เขามาอาศัยอยู่เฉย ต้องทำบุญที่ดินให้เขานั่จะมีสุขสบาครทำถูกวิธีมันจะเริ่มนุ่งเงี้ยู่สุขสบายถ้ากรรมมันไม่หนักจริงจมันก็จะไม่มีเรื่องนั้นมีราวไม่มีปัญหาแต่ถ้ากรรมมันมีมันก็อ่าแล้วไปแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ดีขึ้นดีสูงขึ้นมาอีกทานจบไปแล้วทานที่สองนี่ถึงพระรัตนตรัยถึงที่เพื่อนดระดึก อันที่สามรักชั่วกับวิกิเลยรักษาศีลชั่วชั่วไม่ทำทิศไม่ทำตาไม่ทำหันมาทําความดีกันเนเพราะฉะนั้นรักษาศีลนี่สูงกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี้ยทามทั้งหมดแม้แต่ถึงพระพุทธธรรมประสง์ว่าเป็นดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ถึงพระพุทธยาประธรรมประสงค์ว่าเป็นดีขึ้นอาจจะไม่มีศีลก็ได้ เพราะฉั้นถ้าใครพอใจอยู่แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนว่าเออเราพอถึงทุง้นยอดธรรมพอถงขัง้นที่คือเป็นมี่ยแล้วก็ให้มันมั่นคงค่อยๆศึกษาทำสองยาดไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเออต้องขยับขึ้นมาเนี่ต้องรักษาสีอย่างน้อยสีห้าสีห้านี่เป็นสีที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนต้องมีสีห้ถ้าไม่มีสีห้านีชาติต่อไปไม่แน่แล้วเจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าสูงขึ้นมาอีก ต้องปฏิบัติแล้วเป็นจิตเป็นสมาธิแค่จิตเป็นสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาไปแค่สูดของหอมเข้าไปบุญมากกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นลําดับลําดับนะบุญเนี่ยม า, ก, ามกขึ้นไปตามลําดับสูงขึ้นไปถ้าใครเห็นอันนี้จังหรพยายามพินารณาควา ม, มเมตยาอันนี้มากกว่าทั้งหมด คือพิจาความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็น้องไปอยู่ความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสูงสุดเป็นษษษษษนิพพานพะฉั้นบุญนิ่งไร่มาตามแบบแบบพานถึงใจศาสนาของมเป็นทุกข์ระบบของศีลและก็สมาธิสมถะเแล้วต่อไปก็เป็นนิพพานมีพระเจ้าก็พูดพูดพระสูตนี้พูดมาอย่างเีย เพราะฉะนั้นถ้าใครยากไม่ถึงมากฟังแล้วก็เอามาถ้าทานนี่ก็ต้องรู้จักเราไปขอทานมาทานยังไงก็มีมากมากยโดยบางทีพระเจ้าก็พูดว่า อ, อ๋อทานนี่มีอย่างนี้พูดอย่างนี้ด้วยว่าเ อ, อทานมีทานทั่วไปวทานทานพระเจ้าจนถึงพระพุเจ้า เป็นสังฆทานแล้วถ้าเทียบกับวิหาราทานอย่างี้เทียบกับวิหาราทานทำที่อยู่ที่อาศัยทําศาลาทำห้องน้ําห้องช่วงให้คนเราได้อาศัยทํำบุญชิ้นทานประพฤติปฏิบัตริรำมีการเป็นโจงกรมนั่งภาวนาไดา้อันนี้สูงกว่าระบบทานที่ถวายเจ้บุคคลทั้งหมดอันนี้ก็มามาถึงเป็นระบบของสังฆทานนะเป็นวิหาราทาน เพราะตลอดชีดอาจจะทําครั้งสองครั้งก็ไหรือว่าร่วมบุญกับเขาอันนี้เรียกว่าวิหารธถาเป็นสังฆทานที่หนึ่งเหมือนกันเป็นของกลางเป็นส่วนกลางเพราะฉะนั้นพอเราร่วมบุญอะไรไว้แล้วเนี่ยคนมาทําบุญที่างเราได้บุญด้วยคนที่อยู่อาศัยคนพุพพทธปฏิบัติตามคำสอนนี้ก็ได้บุญด้วยเพราะนั้นทานก็มี ทานให้แก่คนทั่วไปทานแก่บรรพชิตผู้มีศีลทานบรรพชิตผู้มีศีลอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่คนมีการเป็นพระโสดาบันถึงการยุคกระดูกยากแต่เราก็ต้องดูเอาว่าเออสถานที่ผู้ที่เราไปไปไปถวายทานนั้นอ่ะปฏิบัติตามคำสอนของเจ้าไหมเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมกันไหมมีการรักษาศีลกันั้มมีการสัมพูนระวังไหมมีการภาวนากันไหม เดี๋ยวเราก็เช่นเดียทํ า, ามันได้เอาไหนเหมือนคนทั่วไปอ่ะแล้วบุญบญมันมาจากไห น, นบุญมันเกิดจากห่มผ้าเหลืองมาซื้อผ้าเหลืองมาแล้วก็ทําบุญกับผ้าอเอาเอาใครมาห่มผ้าเหลืองแล้วทำบุญมันบุญมันก็ไม่เกิด อ, อันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ฉันเด่นะเนี่ยนี่เราพูดตามพระพุทธเจ้าเลยนะเราต้องอาศายยาัยญาณศึกษาพอพอเราศึกษาเข้าใจแนละ้วบางอย่างเราก็พิสูจน์ได้ พิสูจได้ด้วตัวเองก็มีนีแต่เราก็เชื่ อ, อพระพุทธ ต, ตามไปเพราะนั้นส่วนที่พิสูจได้มีเกิดขึ้นกับเรามีพบเห็นด้วยตัวเองมีเนี่มีหลักฐานมีอย่เพราะนั้นส่วนที่เราไม่รู้โอ้โหพระเจ้าต้องแน่นอนจริเพราะนั้นก็ยอ ม, ม, มอรับแล้วก็ทําตามหมดเพราะทำตามหมดเป็นสุขสบายไ ม, ไ, ไม่กลัวอะไรไม่กังวลอะไรเพราะมันมีธรรมเป็นหลักอย่างนี้เราไม่หวันหว่นไหว ก็เลยยกธรรมขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติไปตามธรรมนะมันก็ไม่เกี่ยวใันใครอยู่ด้วยกันก็เอาธรรมมาแค่แค่นั้นเกี่ยวข้องกันก็ให้มันเป็นธรรมถ้าไห น, น, นไม่ไปทําคนรรอื่นเลิกทิ้ปเหมือนงน่ายง่ายถ้าเอาธรรมมันจะเป็ น, อ ย, บบนรรมมอย่างนาางี้ยระบบมองที่ธรรมมาพิจาณาธรรมจากนั้นก็ถึงใจสุนทรภพุทธิพื้นจากนั้นก็รักษาสีสีขาวบนห้าข้อต่อมาก็ ทำสมาธิแถ่เมตตาทมสมาธินี่แค่จนะิตสงบแค่ช้างกะดินุงนวลแนบิงไก่กับฟูตีกุศลมากกว่าสร้างหบสถหลังหนึ่งดูสิมิหาลาทานที่บางมากนั่นอ่ะแค่จิตเราสงบแค่ช้างกะดิ่นุงนวลแบิงไก่กับฟูตีอ่ะกุศลมากกว่าสร้างหบดหลัง เดี๋ยววันนี้จะพาทำละจะได้บุญมากๆหน่อยแต่ถ้าใครเห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยวมันตัวชื่อตั้งมีนผิไปอันนี้ก็ต้องมาไมได้นั่นสิเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ไม่ต้องไปห่วงบุญอย่างนี้นแต่ถ้าทําได้ก็ทําไปเพราะว่ามันเป็นบารมีทุกองคนมันก็สามารถแด่ร้องให้จึงสุดสบายส่วนได้บุญที่มันปฏิบัติธรรมเหมือนอาจารย์ทุกข์ธรรมนตามันก็ทำให้ิดนีน้นค้นจากทุกจ์ไแต่บางทีพ้นจากทุกได้ เบวกคนทุกแล้วเพราะฉะนั้นบางคนก็มีมีคนกเขาลุกเดินสามากมีเดกลักษณ์มากแต่บางคนก็มีน้อยก็คืออย่างนี้มันมีเหตุปัจจัยมาเป็นมากเพราะฉนั้นถ้ายจะใครยอมรับตัวเองได้มันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ยิงไปตามสภาพของเราเราได้ขนาดไหนเราก็เอาขนาดนั้นเพราะคนเราเกิดมาแล้วไม่ว่ามีมากมีน้อยสุดท้ายก็ตายอะไปตายไปก็อะไรไปนี่แหละมันก็ง่ายขึ้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเราไปเทียบเทียบกัน คนนั้นมากก็อยากได้มากไปด้วยเราพออยู่พอกินพออยู่ได้แต่ให้ทําความดีกันให้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของคนเกี่ยวกันแล้วชาติต่อไปเราก็จะได้เจริญรุ่งงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยดีกว่าที่ทำไม่ถูกต้องเอาเงินทองได้มากินอีกแล้วก็ถ่ายออกพินอีกถ่าออกร่างกายก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงสุดท้ายก็ตายไปตายไปแล้วทีนี้มันไม่ไม่ไม่ตายเปล่าๆจมลงนะลูก นะไปสบายนะอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจริงทีนี้วันนี้มาดัมือแล้ทีนี้จะให้สำรวจจิตใจเรารู้แล้วว่ามุมากที่สุดก็สิอกรรมจิตของเราทนะ่านให้สงบเป็นสมาธิดาว่าถึงขันน้นเ็นเห็นว่าเราไม่มีอะไรจริงของเราได้เป็นอันนี้จังทุกของางนา迦อันนั้นเนี่ยสุดยอดนะ แต่ก็สูงไปตามลำดับลำดัากม่เจะไปตามลำดับลำดัน